พูดถึงพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะที่พระองค์ได้แผ่ไปในหมูสัตว์ที่เรียกว่าเป็นไปด้วยอํานาจมหากรุณาสมาบัติญาณนั้นจะยกข้อความในมหากรุณาสมาบัติญาณนิเทศของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะข้อความในคุตการนิกายปฏิสัมพิธามรักญาณกถาข้อสองร้อยแปดสิบห้ามีใจความว่า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 คือพระองค์ในทรงเห็นว่าโลกเนี่ยไฟเนี่ยลุกทั่วะไฟคือราคะก็เผาไม้สักกิ่มนี่ยนะไฟคือโทสะก็เผาสัเป็นเหมือนกับตอตะโกไฟคือโมหะนี่ยก็เผาให้ไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบาดนรกขณะเดียวกันเมื่อไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นสมุทฐานไฟคือชาติชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายะก็ติดตาม อันก็ว่ามูสัตนี่น่าสงสารจริงๆเพราะถูกไฟคือบาปอากุศลเล่นงานกลุ่มรุมขณะเดียวกันนั้นโมศก็เป็นไปตามชาติชารามรณะมันชาติชารามรณะเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นความเร่าร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยยกพลแล้วเนี่ยยกกาลังเคลื่อนพ้นไปไหนก็ไปสู่ชาติชารามรณะนั่นแหละโลกสันนิวาสเคลื่อนพนแล้วเนนะ เคลื่อนไปสู่ชาติชารามรณะโลกสันนิวาสเนี่ยเดินทางผิดแล้วเพราะว่าเดินไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะโลกอันชารานําไปไม่ได้ยั่งยืนทุกคนเนี่ยบายหน้าเข้าไปสู่ชาราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็วันนี้หนุ่มที่สุดพรุ่งนี้ก็แก่ขึ้นไปกว่านี้แก่ขึ้นไปกว่านี้อยู่ด้วยกันเรียกยังไงๆๆนะนะพอนานๆเห็นเด็กเล็กๆมาเนี่ยเรียกตกใจเลยเนี่ยนะ ว่าเรานี่เท่าชราแก่ชราขนาดนี้เลยชรามันนําไปทุกวันทุกวันไม่คิดเลยมันจะแก่ขนาดนี้นะฮอีกสักพักหนึ่งจะแก่กว่า น, นี้ไปเรื่อยไปเรื่อยมันโลกอันชรานําไปไม่ได้ยั่งยืนพระพุทธเจ้าสงสารเรานะว่าเราเนี่ยความแก่นําพาไปสู่ความแก่นาํานไปทุกวันทุกวันทุกวันแก่ไปทุกวันทุกวันน่าสงสารมากที่ชํารุดสุดโซมอยู่ทุกวันพรองสงสารอีกว่าโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่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 ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่นะพระมูสตัตทั้งหลายก็จาต้องละทิ้งทั้งหมด น, นะอีกห้าสิบปีของเราไม่เหลือแม้แต่ชื่ออยู่แถวนี้หรอกนนะนั้ น, ะ น, นโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจาต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทยอยละไปเรื่อยในที่สุดแม้แต่ชีวิตยังจะรักษาไม่ได้ถึงอย่างนั้นโลกก็ยังพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท้าแทงตันหาตันหาเนี่ยนะนะไม่เคยอิ่มในการเห็น ไม่เคยอิ่มในการฟังไม่เคยอิ่มในการรู้กลิ่นไม่เคยอิ่มในการลิ้มรสไม่เคยอิ่มในการรับกระทบโพธพภะไม่อิ่มที่จะเนื้อคิดต่อไปมันสัตว์โลกนั้นพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นจริงตันหาเนี่มันเสี่ยมมันสอนให้เป็นผู้ที่กระหายอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้หวยหิวทางจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเป็นจิตวิญญาณที่หิวมันไปที่ไหนสังเกตดูมีแต่ไปขอไอความที่ไปขอเนี่ยประกาศถึงว่าผู้หิวเท่านั้นแหละที่ยังขอ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 โลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานอย่างตอนนี้เขามีสงครามขึ้นเลยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านทานได้ เ, นะเพราะต้านทานบางีต้านไปต้านมาหลบไปหลบมาก็มันระเบิดภายในซะเองเลยนะมันสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรต้านทานพระองค์ก็กรุณาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่เร้นเขาจะไปหลีกไปเร้นอยู่ตรงไหนจึงจะพ้นจากความแก่และความตายอโลกสันนิวาสเหล่านี้ไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยนะ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 ทำความชั่ว ด, ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใครก็ไม่เป็นที่พึ่งให้เราเราก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ใครอันทุกคนก็น่าสงสารกันหมดในสายตาของพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันโลกคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านเป็นผู้ที่ไม่สงบเนี่ยเนี่ยฟุ้งไปในรูปมัง่งฟุ้งไปในเสียงในกลิ่นในรสฟุ้งไปด้วยไม่เชื่อนั่งนิ่งๆอย่าไปคิดเลยใจเอ๋ยอย่าไปฟุ้งเลยพอแล้วเนี่ยเนี่ยมันเชื่อไมเน่ยเนี่ยไม่เชื่อน้อ วันนี้ขอนั่งสบายสักวันหนึ่งอย่าคิดมากเลยอย่าฟุง้งอย่าซ่านเลยไม่อะตรงกันข้ามนั่นแหละไม่ได้สามนาทีเราไม่เชื่อถ้าใครอยู่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านยังไงดูลมหายใจเขาออกกำหนดนับไปเถะนับได้ถึงร้อยหรือเปล่าเนี่ยนะบางทีนับไปนับมามันหายไปยนะังไงนับถึงสิบก็หายไปแนละ้วคิดเรื่องอื่นเนี่ยนะไปจบเรื่องโน้นแล้วโอ้เรานับลมอยู่นะอะไงี้ยนนัะ่ก็ไปเรื่อยนะนั่นโลกเนี่ฟุ้งซ่านจริงๆ ในความที่โลกฟุ้งซ่านเนี่ยนะกายกรรมจึงกำเริบวจีกรรมจึงกำเ ร, ริบมโนกรรมจึงกำเ ร, ริบสัตดไปหาบาปหากุศลโลกสันนิวาตเนี่น่าสงสารเพราะมีลูกศรเนี่ยนะถูกลูกศรเป็นจํานวนมากเสียบแทงแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะถอนลูกศอนทั้งหลายของสัตว์โลกหรือของโลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีเพราะถูกลูกศอนคือราคะนี่เสียดแทงลูกสอนคือโทสะเสียแทงลูกสอนคือโมหะเสียดแทง โลกสอนคือมานะเสียดแทงโลกส้อนคือความสงสัยเสียดแทงลูกสรอนคือความโศกเนี่ยเสียดแทงมันถูกโลกสรอนปักทิ่มแทงแนนะจะสามารถถอนได้อย่างไรใครอื่นนอกจากเราผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถอนโลกสอนทั้งหลายของโลกสรรนิวาดนั้นเป็นไม่มีพระองค์ก็เจริญกรุณาต่อไปว่าโลกสรรนิวาดเนี่ยมีความมืดเขือวิชาปิดกั้นไว้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 ใครเนาะจะแสดงทำให้แสงสว่างให้มันพ้นจากกรงกรงแห่งความทุกข์กรงแห่งความลำบากเหล่านั้นเนี่ยไม่มีรอพระองค์กรุณาอีกว่าสัตว์โลกสันนิวาสเนี่ยตกอยู่ในอำนาจอวิชชาเป็นผู้ที่มืดอนอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้เนี่ย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 ไม่รู้ซักอย่างเนี่ยโยมเขาเล่าว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งเขาบอกเมียเขาเนี่สวยมากแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นร อ, อ ก, ก่อนนั้นเขาไปซื้อผ้ามาบอกผ้านี้งามมากนะะสีสีอย่างที่เขาว่านะแต่มันไม่ใช่สีเขาว่าเพราะเขาตาบอดเนี่ยนะซึ่งก็โอ้ยเหมือนในมาคันธยะสูตรเป๊ะเลยนะะฉนนั้คนตาบอดเนี่ยแต่กําเนิดมันแบบสำคัญผิดฉนั้นคนที่มียวิชาหุ้มหอ่อเกิดมาไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักอริยสัจธรรม ไม่รู้จักความจริงที่ที่สามารถทําให้เป็นพ <c oughs> ระอริยะได้ก็มียวิชาเนี่ยเป็นหัวหน้ามียวิชานี่พาไปจึงทาที่ไปสิ่งที่มันยุ่งเนี่ยนะทำได้ยุ่งยิ่งเครียกว่าเขาแก้ปัญหายิ่งเพิ่มปัญหาถ้าใครรู้จักคนมากๆเนี่ยนะแล้วก็เข้าใจโครงโครงสร้างของงานดีเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจะไปแก้ปัญหาคือไปสร้างปัญหาเพิ่มไอเรื่องเล็กๆเนี่ยมันไปทําซะเสียหายหมดเนี่ยนะ ไม่เชื่อคอมเสียแล้วให้ชาวบ้านมาช่วยซ่อมดูสิเนี่ยนะมันยิ่งจะเสียนักกว่าเก่าเนี่ยนะพันไอ้คนไม่รู้เนี่ยนะมันแทนที่จะแก้มันกลายเป็นไปสร้างสร้างสร้างมีแต่สร้า ง, ม, างมีแต่ยุง่งพันก็เลยพัวพันกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนงนางดังญยาปล้องญยามมงกตายเสร็จที่เหมือนกันไปหมดก็คือไม่ล่วงพ้นขันธาตุอายตนะไม่ได้หลุดพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนะรกเลยทําไปทํามายุ่งก็มากกว่าเดิมเนี่ยนะ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 เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่แก่งแย่งชิงดีเข็นฆ่ากันก็ไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยการเข็นการฆ่าต่อไปไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนเนี่ยนะพระองค์ก็ยังสงสารในเขาเหล่านั้นแต่เขานี่ไม่เคยสงสารตัวเองเลยมันหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดการุณาต่อตัวเองเมื่อขาดการุณาต่อตัวเองเนี่ยนะเหมือนกับเป็นคนแช่งตัวเองทําแต่ความชั่วให้แก่ตัวเอง อย่างบางคนเขาบอกว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะต้องไปฆ่าเขาปัญหาตัวนี้จึงจะแก้ได้เขาไม่รู้หรอกเขาเนี่ยวางแผนฆ่าตัวเองอีกหลายร้อยชาติเขาวางแผนว่าจะต้องไปริบซัพย์ของเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะถูกริบซัพย์อีกกี่ร้อยชาติเพราะการกระทําของเขาเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อทําลายตัวเองในอนาคตทั้งนั้นเลยเพราะเขาไม่มีกรรมสกทาปัญญาเขาไม่มีวิ ช, ชาไม่มีความรู้ไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะ ก็เลยยิ่งทําไปก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะมันใครเนอจะสงสารเขาเนี่ยนะใครเนาะจะเปิดเผยให้เขาได้รับแสงสว่างสิ่งนี้แหละคือตัวที่กระตุ้นทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็เจริญกรุณาต่อไปในว่าโลกสันนิวาถูกอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาที่มีโทษ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 พันเราทั้งหลายเนี่ยนะพูดเศร้ามองด้วยราคะเศร้ามองด้วยโทสะเศร้ามองด้วยโมหะเศร้ามองด้วยบาปอากุศลถ้าไปนั่งใกล้กับผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะขนาดไหนนาะมันจะดจาจะขาวมันจะสายจะเห็นชัดเจนเลยนะเพันแต่ก็ไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าอยู่ในเมืองคนตาหลีว่วตาเลเมือนกันไปหมดอยู่ในโลกแห่งความเศร้ามองเหมือนกันหมดอยู่ในโลกแห่งความชิงดีชิงเด่นเหมือนกันหมดทุกคนเศร้ามองก็เลยมองกันไม่ออกพระพุทธเจ้าท่านกกรุณา โลกสันนิวาสรกชัดด้วยราคะเนี่ยนะถูกมีคนละหลายลหลายป่าด้วยกัน น, นะนะป่าคือราคะคือมันรกชัดนะเคยเห็นกอไผ่ไหมกอไผ่ที่มันรกชัดฉันใดแต่ละคนเนี่ยราคะก็รกชัดขนาดนั้นรกชัดด้วยโทสะบ้างเนี่ยนะโทสะนี่ก็โอไม่ได้เบาบางเลยรกชัดด้วยโมหะคือความโง่ความเคล้าใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสางรกชัดให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไ ม, ม่มี ใครเนอะจะช่วยเขาเนี่ยนะใครจะช่วยสะสางปัญหาภายในของเขาสะสางราคาให้เขาเขาจะได้พ้นทุกสะสางโทสะให้เขาเขาจะได้พ้นทุกใครเนอะจะสะสางโมหะให้แก่เขาเขาจะได้พ้นทุกเพราะฉะนั้นนอกจากเราผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีหรอกที่จะช่วยสางรกชัดให้แก่โลกสรรใ น, นว่านพราะมูสัท์ทั้งหลายยิ่งทําไปยิ่งราคายิ่งเพิ่มยิ่งทํายิ่งโทสะเพิ่มยิ่งทํายิ่ง โมหะเพิ่มเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารที่เป็นไปด้วยราคะโทสะและโมหะก็เต็มไปด้วยบาปอากุศลพระองคุณาอีกว่าโลกสันนิว่าถูกกองตันหานิสวมเอาไว้เนี่ยก็ถูกกองตันหาสวมเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครที่เคยดักสัตว์นี่จะเห็นว่าเวลาสัตว์นี่มันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยนะจะไปถูกบ่วง ถูกบวงสวมมาไว้แล้วก็ตวัดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะกระตายนั่นนะสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะะเข้าไปสู่กับดักคือตันหาตันหาก็ดักไปดักให้ลงไปสู่อวบายทุกติวิธิบาสนรกนั่นแหละองค์กรุณาอีว่าโลกสันนิวาสเนี่ยถูกไขคือตันหาครอบเอาไว้ถ้าเป็นเหมือนกับปลาเนี่ยนะไขตะขายที่เขาดักปลาเนี่ยปลาจะวิ่งไปทางไหนก็ถูกขไขตะขายนี่ก็ครอบเหมือนกับว่าถูกแหเนี่ยนะ ถูกแห่เนี่ยครอบอยู่ตลอดเวลาถูกร่างแห่คือบาปราคะโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครอบคลุมอยู่ตลอดระองคารุณาว่าโลกสันนิวาถูกกระแสตันหาพาไปไปตามอำนาจของตันหาจริงๆอย่างบอกจริงนะว่าสัตว์ที่ไปที่ใดเนี่ยนะตันหาพาไปทั้งนั้นเลยเห็นไตันหานี่มันฉุดออกไปมันฉุดพาไปพาไปเหนือพาล่องใต้พา ไปพบสูงพบต่ำพบน้อยพบใหญ่เนี่ยนะตัณหานั่นแหละมันพาไปไปเพื่อจะชมรูปชมเสียงชมกลิ่นชมรสชมโพธิภาะชมธรรมรมมันก็เลยกระแสะคือตัณหาพาพาไปองคกรุณาวโลกสันนิวาดเนี่ยถูกตัณหาเป็นเครื่องคล้องคล้องเอาไว้เร ต, ต้องนึกถึงว่าใครที่เคยเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะเลี้ยงสุนักก็สุนัถูกล่ามโซพาดึงไป เลี้ยงควายก็มีเชือกจูงควายไปชันใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ถูกตัญหาเนี่ยคล้องดึงจมูกนะดึงตาไปถูกนะนะดึงหูไปดึงจมูกดึงลิ้นดึงร่างกายดึงใจพา้าไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ถูกตัญหานี่แหละเป็นตัวคล้องคล้องเอาไว้ <c oughs> โลกสันนิวาสสร้านไปเพราะตัญหานุสัยเนี่ยนะตัญหาคื อ, อตันหาที่มันมีกำลังแรงกล้า ม, มาก ทำให้เขาสซ่านอยู่ตลอดเวลามันมันจนสงบไม่ได้นะมันร้อนรนกวนกวายมันมันเร่าร้อนจริงๆรนะเพราะตัณหามันมีกําลังมากทําให้มันสซ่านไปทางกายทางวาจาและทางใจทางยืนเดินนั่งนอนพ่าไปละพระองค์กรุณาว่าสัตว์โลกหรือโลกสันนิวาสเนี่ยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตัณหาเดือดร้อนจริงจนะเพราะตัณหาเนี่ยมันทําให้อยู่สงบไม่ได้เลยนะ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 พลานเงินไปหมดเลยพระองค์กรุณาว่าเค้าเนี่ยถูกกองทิฏฐิในสวมเอาไว้คือถูกทิฏฐิทั้งสกายะทิฏฐิทิฏฐิสัสนะทิฏฐิอุเฉรทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสวมเอาไว้โลกสันนิว่าถูกตาข่ายทิฏฐิเนี่ยครอบเอาไว้เหมือนถูกแหคือมิจฉาทิฏฐิครอบคลุมเขาเอาไว้แล้วก็ถูกกระแสทิฏฐิเนี่ยพัดไปเนี่ยนะพัดจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งไปด้วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิออไป โลกสันนิวาสนี่ถูกมิจฉาทิฐิเป็นเครื่องคล้องคล้องเอาไว้โลกสันนิวาตสร้างไปเพราะทิฏฐานุสัยเพราะแรงแห่งมิจฉาทิฐิที่มีกําลังเนี่ยนะมันพาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนะงี่ยนะเพราพวกลับที่มิจฉาทิฐิเนี่ยนะแรงของมิจฉาทิฐิมันที่มันมีเรี่ยวแรงมีพละงกาลังมากเนะี่ยพาเขาเนี่ยซ่านไปเรื่อยโลกสันนิวาตเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะ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 เป็นโอปปาติกะบางพวกวกว็าพาไปหาที่เกิดในนรกบางทีก็ไปหาที่เกิดในเปรตบางพวกก็าหาที่เกิดในหมูเดราชาห์นทั้งหลายบางพวกก็ไปหาที่เกิดเป็นมนุษย์อันหาเป็นมนุษย์หาแม่หาแม่โดยประการต่างๆก็เที่ยวหาที่เกิดจากคันสุคันไปนั่นแหละพระกน้าการุณาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องไปผุดไปเกิดที่ไหนอีกเนาะ ทนี้เมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็กรุณาว่าโลกสันดิวาสสมสารไปเพราะชราเนี่ยนะชราก็เล่นซะสบักสบอมไปหมดเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะยิ่งดูแลร่างกายของเราเนี่ยยิ่งดูแลยิ่งสบักสบมเนี่ยนะยิ่งสมสารไปหมดหนักๆเข้าก็จะเดินไม่ไหวแทบจะคลานขึ้นนะจากเคยเดินได้ดีๆก็เดินได้ไม่ดีแล้วเคยผุดลุกพุดนั่งสบายๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยสมสารไปเพราะชรานะ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 มันตรงไหนถูกครอบก็ไม่ไม่ได้มีอํานาจอะไรเนะไม่ได้เป็นอํานาจเลยอย่างเนี่ยบางคนถูกครอบโดยเอามาพึกอมาพลาดเป็นต้นเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะโลกเสนวาดเนี่ยนะชาติพามาเอ่อชาติติดตามชระสมสารไปเพราะชราพญาที่ครอบงำในที่สุดมรณะก็ห้ามหันเนี่ยนะมรณะก็เลือกเฉือนเลือกทหารนะนะเลือกเข็นเลือกฆ่าบางพวกก็ถูกฆ่าที่คอถูกทิ่มที่คอถูกห อ, อกทิ่มที่คอ แล้วแต่ว่าอะไรเนี่ยมันจะตกถูกตรงไหนสรุปว่ามรณะนี่ห้ามหันนะขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่กระดูกกระจัดกระจายเรี่ยไรยทั่วไปหมดะโลกสันนิว่าตกอยู่ในกองทุกเนี่ยนะทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจเนี่ยะมีแต่ความทุกเนี่ยนะมีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะไปหาทุกข์รนหาทุกทุกทุกอยู่นั่นแหละมันโลกสันนิว่าถูกตันหาเนี่ยดักเอาไว้ไปตรงไหนก็ถูกแต่วางไว้ด้วยอํานาจตันหาเนี่ยนะนะ เพราะไรเพราะตาเนี่ยรูปปัตนหาสร้างหูก็ศัทธาตันหาสร้างจมูกก็คันธาตันหามันสร้างขึ้นลิ้นก็รัศดาตันหามันสร้างขึ้นกายก็โพธิภาพตันหาสร้างขึ้นใจก็ธรรมะตันหาเนี่ยสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสที่ใดก็ถูกตันหาดักเอาไว้ทุกหนทุกแห่งไปหมดนี้ตัดนะเขาหน้ากรุณาว่าเขาเนี่ยถูกกำแพงคือชราแวดล้อม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 พองเจริญกรุณาไปในสมุสัตว์อีกว่าโลกสันนิวาสถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากถูกผูกด้วยราคะพาไปถูกผูกด้วยโทสะบ้างถูกผูกไว้ด้วยโมหะถูกผูกด้วยมานะถูกผูกด้วยมิจฉาทิฐิถูกผิดด้วยความเศร้ามองทางร่างกายและจิตใจถูกผูกไว้ด้วยความผิดทางกายวาจาและใจใครอื่อนนะนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสเป็นไม่มี ใครน้าจะแก้ราคะในใจเราได้ใครน้าจะแก้โทสะคือแก้ความไม่สบายใจในในใจเราได้ใครน้าจะแก้ความลุ่มความหลงความงมงายของเราได้ใครน้าจะแก้ความเย่อหยิ่งความจองหองความพยองของเราได้ใครน้าจะแก้ไม่ให้เรารกชัดด้วยมิจฉาทิฏฐิใครน้าจะแก้ความเอ่อทำให้จิตไม่เศร้าหมองต่อไป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 ใครอื่นนอกจากเราพูดจะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่โลกสันนิว่า้นั้นเป็นไม่มีทางแคบไปทางไหนก็ทางไปสู่อบายทุกปฏิวินิบาตนรกเนี่ยนะจริงๆมันแคบมากซึ่งไม่เหมือนกับทางโล่งคือทางประกอบไปด้วยองแปลดแต่เนื่องจากเขาไม่รู้จักทางก็เลยยอมเดินแต่ทางแคบนั่นนะเดินแต่ทางบาปเดินแต่ทางอกุศลเขาไม่รู้หรอกว่าทางคือมักมีองแปลดนี่เป็นทางที่ล่กจริงๆเนี่ยนะเป็นทางที่ราบเปรียบเป็นทางที่เสมอ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 ตกลงไปในเหวคืออะไรคือชาติเหวคือชาติชรา ม, มรณะเนี่ยนะมันก็ตกลงไปในเหวเนี่ยเหยวลึกขนาดไหนก็ตกบางทีก็ตกลงเมืองบาดาลเป็นปฏิสนธิเป็นพญานาคเป็นต้นเนี่ยนะตกไปในเหวในภูเขาไปตกในซอกเขาลงไปลึกๆขนาดไหนเดรัชันก็ยังมีเนี่ยนะเพราะนั่นคือการที่เขาตกลงไปในเหวคือสังสา ร, รวัตตกลงไปในเหวคือบางทีก็เหวคือนรกเนี่ยมันลึกเป็นร้อยๆยอดก็ตกลงไปกันตกลงไปในเปรตอสุรกายเดรัชันก็ตกไป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 ยิ่งถ้าใครนึกว่าอยากจะจาทิกไปทุ่งงหน้านี้ด้วยนะโอ้ยเดินทางกันดานชัดๆเลยนะกันดานน้าก็กันดานที่อยู่อาศัยก็กันดานเลยนะเดินไปพักหนึ่งก็ลมพายุพัดจะเสียหายบางทีก็ไปเจอกระโจรขโมยเป็นต้นนีแต่เรื่องเดือดร้อนนั้นสังสารวัตรเนี่ยเดินไปด้วยทางกันดานจริงๆเลยนะถ้าใครไปทะเลทรายแถวตะวันออกกลางนี่มหากันดานเลยนะยิ่งกันดานยิ่งกว่ากันดานอีกนะเพราะว่าไม่ใช่หลบทะเลทรายอย่างเดียวก็ต้องหลบลุกปืนเป็นต้นด้วย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 ชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตก็ครอบงำเผาย่างเขาอยู่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟทั้งสิบเอ็ดกองเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาตได้เป็นไม่มนะีทุกคนก็เล่าร้อนเนี่ยนะราคาก็เผาโทรสก็เผาโมหะก็เผาเกิดแกเจ็บตายเดี๋ยวก็เสียใจพี่ไรรำพันเดี๋ยวก็ทุกข์ใเยก็เสียใจครับแค้นใจลำบากใจอยู่นั่นแล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 องค์กรุณาว่าโลกสันนิวาสถูกผูกได้เครื่องผูกในวัตตะปรากฏอยู่ที่ตะแรงแกงเพราะทุกคนกําลังอยู่ในลานประหารเนี่ยนะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยโลกสันนิวาตนั้นให้หลุดพ้นได้เป็นไม่มียิ่งอยู่บนถนนด้วยนะครับเนี่ยบนถนนนี่คือลานประหารชีวิตชัดๆตรงไหนมีพ่นสเปรย์สีเขียวๆเนี่ยตรงนั้นอะคือที่ประหารนะทุกแห่งเนี่ยมันเป็นที่ประหารชีวิตหมดนั้นปรากฏอยู่ที่หลักประหารชีวิตกันหมด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 เป็นผู้มีความทุกมามากไม่ยากจนในเรื่องของความทุกขถูกทุกเสียดแทงแล้วก็ร่างกายของเขาตรงไหนบ้างไม่เคยเป็นที่ตั้งแห่งทุกเข้าไปที่ไหนแล้วเขาไม่ทุกกลับมาไม่มีเนี่ยนะไปทุกไปเดือดร้อนไปเล่าร้อนโลกสันนิวา่าติดใจกระหายอยู่เป็นนิดเป็นกระหายจริงๆเลยนะเป็นโลกที่พร้อมที่จะยื้อแย่งกันเนี่ยนะอยู่นิ่งๆจริงแต่ว่าพร้อมที่จะยือ้อพร้อมที่จะแย่งพร้อมที่จะทะเลาะเนี่ยนะคือประดุด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 โลกสันนิวาสเป็นโลกบอดเป็นโลกที่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาปัญญาพอที่จะทํามาหากินในชาตินี้บางคนเนี่ยมัดจริงๆเลยไม่รู้จะหาช่องทางทำมาหากินโลกนี้ได้ยังไงเนั้นบางคนเนี่ยไม่รู้จะไป ย, ยังไงในชาติหน้าเขาเรียกว่าถ้าใครที่มองการคลองชีพในโลกนี้ออกเขาเรียกว่ามีตาข้างเดียวใครที่โลกปัญหาโลกนี้ก็มองไม่ออกกาครคลองชีพก็มองไม่ออกโลกหน้าก็นึกไม่ได้พวกนี้เขาเรียกว่าบอดทั้งสองข้าง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 ปล่อยเป็นลูกกํมพราที่ตาตาเสื่อมนี่นะดูภายนอกเหมือนคนตาดีแล้วไม่มีใครพาไปไม่มีผู้นำไม่มีผู้ที่นำหน้าไปดั่นั้นะนพระ อ, องค์เป็นผู้นำอันนะเป็นผู้นำให้เขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจพระ อ, องค์กรุณาในสต ร, ร์ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วอันนะเดินไปสู่ทางผิดก็คือทางอันประกอบด้วยมิจฉามัสมีองแปด น, นะมิจฉาทิฏฐิก็ไปสู่ทางผิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิบางพวกกวมาานะ็มิจฉาญาณฮะมิจฉาวิมุติเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เดินทางทางผิดทั้งนั้นไทยเอิญนะนอกจากเราผู้จะช่วยพาโลกสันนิวัฒให้มาสู่ทางอริยะเป็นไม่มีไม่มีใครเข้าพาเอา่อพาไปสู่ทางที่จะทําให้เขาพ้นทุก อันนั้นไม่มีใครพาไปสู่ทางเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกท า, าคามีเป็นพระอนาคามีหรือไม่มีใครพาเข้าไปสู่ทางเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เดินไปแต่ทางที่เป็นอนาระยะเนี่ยนะเป็นทางของอนาระยะชนทางแห่งความชั่วด้วยกายวาจาและใจพระองค์กรุณาวัลโลกสันิวาตเล่นไปสู่ห้วงแห่งโมหะคือความมืดใครอื่นนอกจากเรา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 หรือบางทีเนี่ยนึกถึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเด็กๆเหมือนกันอันนั้นไปเที่ยว ง, งานเนี่ยนะไปเที่ยว ง, งานเสร็จ แ, แล้วพลัดจากญาติเนี่ยนะหายญาติไม่เจอเนี่ยโอ้ยเงยเงามันเชา้ามันแห้งแรงโอ้ยมันทุกข์จริงๆนะใครนะจะช่วยฉุดเราได้นั้นในชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยนะถ้าทุกคนเนี่ยกําลังเวียนไหวาตายเกิดตกอยู่ในห่วงแห่งบาปอากุศลใครนะจะชุดเราให้พ้นจากห่วงแห่งโมหะได้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 ที่พารยะท่านแสดงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบอกว่านั่นนั่นปริยัติแต่ถ้าคนบอดด้วยการพูดเนี่ยบอโอ้ยนั่นข้อปฏิบัติปฏิบัติไปไหนก็ไปสู่อบายทุกติวินิบนาดนรกนั่นแหละเอาเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราพ้นอบายทุกติวินิบนาดนรกแล้วนะบางทีนี่เสียเวลาเปล่านะเสียดายเวลาชีวิตเนี่ยนะเพราะว่าชีวิตที่เหลือมันไม่แน่นอนไอ้แต่ที่ผ่านมานี่มันแน่นอนเพราะเราได้มาแล้วไอ้แต่ที่เหลือนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรจะ จีรั ง, ย, งยั่งนะยืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างจากเนี่ยนะเพราะสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะใครจะช่วยฉุดให้พ้นจากวัฏฏะเพราะนั้นไปที่ไหนก็ไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเธอไปเพื่อจะศึกษาพระธรรมคาสอนเธอมีตาก็อ่านพระไตรปิฎกมัง่งมีหูก็ฟังคําสอนบัง่งเนี่ยนะในนั้นไม่ไม่บอดไม่บอดก็เหมือนบอดไม่หนวกก็เหมือนหนวกอย่าไปคิดนะทําไปทํามาเนี่ย สมาทานเป็นศัตรูกับตัวเองในอนาคตได้จะเดือดร้อนนี่มันก็เดือดจนไม่รู้จะร้อนยังไงแล้วเนี่ยมันร้อนเราอุบไปหมดแล้วเนี่ยนะก็ให้มันหาคําสอนเพื่อจะได้สงบร่มเย็นบ้างโลกสันนิวาถูกทิฐิสองอย่างกลุ่มรุมคือมันกลุ่มรุมเนี่ยมันสลับการระวังอุเฉททิฏฐิสลับกับ สัสตะทิทิเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็ศูนย์เดี๋ยวก็ศูนย์เดี๋ยวก็เที่ยงสลับคละเคล้ากันไปมันกลุ้มมันรวมมันยุ่งไปหมดเลยแก่แก้ไปแก้มาเอามันก็ตกสัสตาแก้มาแก้ไปเอาตกอุเฉตอีกแล้วทําไปทํามามันสับสนมันยุ่งเยิ่งมันวุ่นไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแก้ไปแก้มาแก้ปัญหาชีวิตนเนี่ยนะก็เป็นสัสตะไปแก้ไปแก้มาเป็นอุเฉท ท, ทิฐิไป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 โลกสันนิว่าเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องประกอบถูกกิเลสเครื่องประกอบสี่อย่างประกอบเอาไว้เนี่ยนะถูกกาโมโยฆาประกอบไว้ถูกทิฏฐิโยคะประกอบไว้ถูกภวะโยฆาประกอบไว้ถูกอวิชาโยคะประกอบไว้เนี่ยนะถูกบาปอกุศลถูกกิเลสเครื่องเศร้ามองประกอบให้มันติดพันลุ่มหลงอยู่ในวัตตะโลกสันนิว่าถูกกิเลสเครื่องเครื่องร้อยกรองเนี่ยนะเครื่องร้อยร้อยเอาไว้ถูกคันธะเดี๋ยวก็ กอภิช า, ายะคันธะพยาปาทากายะคันธะสีระพะตาปรามาสากายะคันธะอีทางสัจจานิเวสากายะคันธะเนี่ยคล้องเอาไว้เนี่ยนะเหมือนกระถูกโซ่นี่มันคล้องเอาไว้แล้วก็ยึดถือด้วยอํานาจอุปาทานสีด้วยกาโุปาทานทิฏฐปาทานสีระพะตูปาทานและอัตตาวะทุปาทานยึดแล้วยึดอีกยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะแล้วก็เดินขึ้นไปสู่คติห้านะไม่ใช่ขึ้นสูงนะ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 ไม่ให้ทําบุญไม่ให้เจริญกุศลไม่ให้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยโลกสันนิวาสเนี่ยวิวาททะเลาะกันด้วยวิวาทเหตุมูลหกเนี่ยนะโทสะเป็นต้นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทมันก็โวแต่ทะเลาะโมแต่แก่งมโมแต่แย่งโวแต่ทะเลาะไปทะเลาะมาก็เหมือนกับไก่สองตัวมันจิกมันตีกันตีกันนั่นแหละเสร็จแล้วก็ตายทั้งคู่นั่นแหละทะเลาะวิวาทกัน โลกสันนิวาตกำหนัดอยู่ด้วยกองตันหาหกเนี่ยนะกองตันหารูปตันหาก็สวมตานะดึงตาไปสัตธตันหาก็ดึงหูออกไปคันธาตันหาก็ดึงจมูกไปเนี่ยนะเหมือนกับควายอะถูกจูงจมูกไปอย่างนั้นรัศฐาตันหาก็เกี่ยวลิ้นออกไปโพธาภะตันหาก็ดึงกายไปธรรมะตันหาจ้อยก็ถูกฉุดคิดไปทั่วโลกสันนิวาตถูกทิฏฐิหกอย่างกลุ่มรุมเนี่ยนะก็คือมิจฉาทิฏฐิหกอย่าง คือโดยย่ อ, อ ก, ก็อุเฉทิฏฐิกัสสตาทิฏฐินั่นแหละมันกลุ่มรุมโลกสันนิวาสร้างไปเพราะอนุสัยเจ็ดคืออนุสัยคือกิเลส ท, ที่มีกําลังมีการมาราคาอนุสัยเป็นต้นเนี่ยนะซ่างไปตลอดเวลาโลกสันนิวาสถูกสังโยดเจ็บเกี่ยวคล้อง น, น, นะเกาะเกี่ยวกับคล้องเอาไว้เหมือนกับว่าสุนัขถูกล่ามโซ่เอาไว้อย่างนั้นแหละ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 อยู่ด้วยโลกกระทำแปดเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ก็ได้รับลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็มียศเดีด๋ยวก็เสื่อมยศเดีด๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็รับคําสรรเสริญอันนั้เดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวก็รับความสุขเดี๋ยวก็สเสวยความทุกพอได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขก็ฟูขึ้นเวียนอยู่ติดข้องอย่นั้นพอได้รับความทุก ได้รับการนินทาได้รับการว่าร้ายได้รับความเสื่อมยศก็เร่าร้อนเดือดร้อนก็วนกวยเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้รับโลกกระทำฝ่ายร้ายก็สแสวงหาแต่โลกกระทำฝ่ายดีเมื่อถูกนินทาก็สแสวงหาคําสรรเสริญเมื่อรับความทุกข์ก็สแสวงหาความสุขเมื่อเสื่อมยศก็สแสวงหายศแสวงหาบริวารนะเมื่อเสื่อมลาบก็สแสวงหาแต่ลาบเป็นต้น โลกสันนิวาตดิ่งลงเพราะมิจฉาทิอ่ะมิจฉาต่แปดคือข้อปฏิบัติที่ผิดแบบประการดิ่งลงเพราะมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงเพราะมิจฉ า, า, ากรรมมันอ่ะสังกปะดิ่งลงด้วยอำนาจมิจฉาวาจาดิ่งลงด้วยมิจฉากรรมมันตะความชั่วทางกายดิ่งลงเพราะมิจฉาอาชีพะนะดิ่งลงเพราะมิจฉาวายามะขยันในสิ่งที่ควรขี้เหียจ น, ะนะนะัเนี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 ส่วนรายละเอียดไม่อธิบายทั้งหมดนะอธิบายหมดก็ไม่ต้องจบกันละเหมอันนะอันนี้ก็พูดเป็นหัวข้อคร่าวๆก็พอระดับนี้แล้วนะระดับที่กำลังเริ่มเรียนนะโลกสันนิวาสพองขึ้นเพราะมานะก้า่ยางเนี่ยนะมันลำพองเหมือนกับอื้งเนี่ยแหละมันจะไปแข่งกับกอึ้องเเนี่ย น, นะพองตัวเพื่อจะแข่งกับแม่วัว มาหน้านี่มันทําให้พองพองพองพองพอ ง, พอ ง, พองก็บอกว่าถ้าเทียบนะเราทั้งหลายในที่อยู่ในถ้าเทียบเราในระดับจ like ังหวัดก็ต right? ัวนิดเดียวถ้าเทียบในระดับประเทศก็หน่อยเดียวถ้าระดับโลกเลยนิดเดียวถ้าเทียบระดับจักรวาลเนี่ยนะโอ้ยผาพงไม่รู้กี่เซี่ยวกี่เซี่ยวถึงจะเท่าเราแต่ขนาดนั้นมานะามันก็พองเหมือนว่าเราเนี่ยหนึ่งในจักรวาลเนี่ยนะเราเนี่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลด้วยอํานาจมานะามันพองพองพองพองอยนั้นแหละทีนี้มันพองหรืออื่นก็ไม e ่รู้่นะ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 หามาจนหามาทําไมหามาทะเลาะกันเนะี่ยมันโลกสันนิวาสเนี่ยเศร้ามองเพราะกิเลสวัตถุคือกิเลสเป็นเครื่องทําให้เศร้ามองมองใจด้วยราคาบ้างมองใจด้วยโทสะบ้างมองใจด้วยโมหะมองใจด้วยมานะด้วยทิฏฐิด้วยติณมิทะอุทะจะเป็นต้นเนี่ยนะสรุปว่ามีแต่ความเศร้ามองอยู่ตลอดเวลาโลกสันนิวาตมุ่งร้ายกันเพราะอาคารตวัตถุเสพบางทีก็ไปโกรธเรื่องไม่ควรโกรธเนี่ยนะ โลกสันนิวาสเนี่ยใช้ชีวิตประกอบด้วยอากุศลกรรมบกเสร็จใช้ชีวิตอยู่ด้วยปาณาติบาตมังใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาินาทานใช้ชีวิตอยู่ด้วย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 โซ่สิบเส้นเนี่ยผูกจมูกไว้กับเกลื่นโซ่สิบเส้นผูกลิ้นไว้กับรถโซ่สิบเส้นผูกกายไว้กับโภตาภาโซ่สิบเส้นผูกใจไว้กับเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะในอายตนะบัพพาสติปทานเนี่ยนะบอกว่ า, ว า, ว า, วารู้ชัดจักสุรู้ชัดรูปรู้ชัดสังโยตที่อาศัยจักสุและรูปเพราะนั้นโดยมากก็ถูกสังโยชตสิบเนี่ยเกี่ยวคล้องตาเอาไว้กับซีสังโยชตสิบคือโซ่เราเนี่ยคล้องหูเอาไว้กับเสียงเป็นต้น อันโดยมากเนี่ยนะถูกสังโยชนิสเกี่ยวคล้องเอาไว้แล้วก็ดิ่งลงเพราะมิฉตะสิบแน่นอนอุ้ยในผู้ในบรรลุกับชั้นหนึ่งนี่แหละสาคัญว่าตัวเองรู้สําคัญว่าตัวเองบรรลุคือตัวเองเนี่ยปฏิบัติอยู่ในมิฉามัชอันประกอบไปด้วยองแปดอยู่แล้วนะก็สําคัญว่าชั้นนี่รู้ชั้นนี่แหละบรรลุชั้นนี่แหละหลุดพ้นขอให้มันพ้นจริงเถอะถ้าพ้นไม่จริงแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าเขารู้ว่โฆษณาวระตัวเองมหาเศรษฐีร่ำรวยถ้ารวยจริงก็ดีแล้วจะได้พ้นทุกข์ถ้าไม่จริงนี่สิมันจะเดือดร้อนมันจะลําบากในวันหลังนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ดิ่งลงเพราะมิจฉาปฏิบัติทั้งสิบประการเนี่ยมันก็ดิ่งไม่ไหนก็ดิ่งไว้สู่อาบายทุกขติวินิบาณนารกนั่นแหละบางทีก็ถูกประกอบด้วยมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบก็คือแบบบางพวกก็ถือว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงชีพเอ่ะ สัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วไม่เป็นอีกเป็นต้นในเรื่องมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์หรืออีกในหนึ่งก็คือปฏิเสธว่าทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีพ้น พ, พ้แห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีพ่อแม่เนี่ยทําดีทําชั่วก็ไรประโยชน์เป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้าปฏิเสธแม้กระทั่งนรกเทวดาะพวกปฏิเสธนรกก็ไม่เป็นไรอย่าตายก็แล้วกันเนี่ยนะปัญหามันอีกไม่นานเนี่ยพวกปฏิเสธแล้วตายเร็วนี่สิมันลาบากเนี่ยจะไปไหนนาะ ทังตัวเองไว้ในโอ้ในลุมฐานเพลิงเนี่ยมันเดือดร้อนเน่ละบางคนก็บอกโอ้ยนรกเนี่ยมันคนตกไปเยอะแล้วสงสัยมันเสื่อมนะบอกโอ้ยคุณภาพดีกว่าเดิมเหมือนกันรู้สึกว่าระบบการลงโทษเนี่ยหนักกว่เกา่าเยอะเนี่ยนะเหมือนกับสงครามสมัยก่อนใช้อีดาบใช่ไหมโอ้ยสมัยนี้เขาใช้ขีปานาวุธแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันยิงข้ามทวีปได้สบายๆตอนเนี้ยควบคุมด้วยอะไรนะด้วยดาวเทียมอยังไง น, นนะเลือกปุ่มเนี่ยนะสรุปว่าตายเรียบแบบ ง, งั้นแต่ มันมูสาสตร์เนี่ยดิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิจริงๆโลกสานิวาสเนี่ยถูกประกอบด้วยสักกายทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบเนี่ยนะเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนในรูปเห็นรูปในตนเห็นตนมีรูปเป็นนะพวกราส ก, กายทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฐิสี่คูณขันห้าก็เท่ากับยี่สิบโลกสานิวาสเนี่ยต้องเนิ่นช้าเพราะตันหาเครื่องทําให้เนิ่นช้าร้อยแปดมันช้าหรือมันยาวก็ไม่รู้ไง ชาก็ยาวมันเดียวกันเลนะชาอยู่ในวัตะหรืออยู่ในวัตะได้อย่างยาวชนิดที่เดียกว่าไม่มีออกกว่างั้นเลยมันพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะถูกทิฏฐิหกสิบสองกลุ่มรุมจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์ะนะว่าตอนนี้เราเนี่ยเป็นผู้ข้ามได้แล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้นะสมัยมีพระชนเนี่ยพระองค์คิดอย่างนี้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 ผู้ตรัสรู้แล้วด้วย น, นะรู้ด้วยสัพพัญยุตยานเป็นต้นเจริญมหากรุณาไปนในหมู่สัตว์ทั้งหมดที่กล่าวมาโดยโย่เรียกว่าพระมหากรุณาสมาบัติยานของพระตถาคตพันพระผู้มีประภาคเนี่ยนะเป็นผู้มีกรุณาเป็นปกติมีกรุณาเป็นสภาวะเราจรึงเรียกว่ามหากรุณิกษัตรผู้มีพระมหากรุณาอันหาที่เปรียบไม่ได้หาประมาณไม่ได้พระมหากรุณาของพระองค์นี่กว้างใหญ่ไพศาล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 แล้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยแปลว่าพุชิตาสัจจานิพุทโธพุทโธหรือพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้สัจจะปรัสรู้วันนี้ทุกปรัสรู้วันนี้ทุกขสมุทัยตรัสรู้ว่านี้ทุกขเนโร่ตรัสรู้วันทุกขเนโรทคามินีปฏิปทาหรือพระพุองค์เนี่ยชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คือโพเทตาปชายาติพุทโธ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 รพระ อ, องค์ได้ชื่อว่าเบิกบานเพราะพระพ อ, องค์เนี่ยเบิกบานด้วยสัพพัญญุตญาณตื่นนะผู้พู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะคำว่าตื่นก็คือตื่นจากโมหะเบิกบานก็คือเบิกบานด้วยสัพพัญญุตญาณเบิกบานด้วยปัญญาที่รู้อดีตรู้อน า, าคตรู้ทั้งอดีต ท, ทั้งอน า, าคตรู้สังคตะอสังคตะรู้วัตตะวิวัตตะรู้บัญญัติรู้ปรามัตถ์โดยประการทั้งปวงเพระพระองค์จึงชื่อว่าเบิกบานคือเบิกบานด้วยพระปัญญานั่นเอง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 คุณเหล่านั้นเนี่ยนะมีพระมหากรุณาหรือสัพพัญยุตยานเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะอาสาธารณัยาณหกนนันส้สองข้อคือมหากรุณากับปัญญาถ้าพูดกรุณาปั๊บอินเดียป ร, ปรปโภยุตยานอาสยานุส ย, ย, ยามยานยมกัปาฏิหารยาิยานมหากรุณาสมมาบัติยานสัพพัญยุตยานอนาวรณายานทั้งหมดนี่ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วยังมีเวสารยานสีท่ทศพลยานสิบเป็นต้นนั้นคําว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่นะ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 เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ผู้มีอนุภาพอันหาอุปมาไม่ได้อย่างนี้